ต้นฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนทนานะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวร้อยหกค่ะเรามาถึงช่วงที่สองของรายการกันแล้วนะคะตอนนี้ก็จะได้ไปพบกับพระอาจารย์ไพบูตรอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศจังหวัดอุดรธานีช่วงที่เราเรียกกันว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจะนะกันค่ะกลับนพิธ ก, การกันทั้งคะ่ะเจนพานค่ะไหนๆก็เป็นคอร์สปฏิบัติธรรม อยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกขณะนี้สําหรับผู้เก่าใช่คือผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติมาบ้างแล้วถูกต้องคิอ <c oughs> ฉันเองก็เลยอยากที่จะใช้เวลาในการสนทนาในวันนี้เพื่อที่จะกราบเรียนถามท่าน <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติจะได้เผื่อแผ่ไปยังผู้ฟังซึ่งสนใจในเรื่องของการปฏิบัติอยู่เอ่อก็ต้องขอบอกท่านผู้ฟังทั้งหลายและคุณสันสนีด้วยว่าจริงๆคอร์สคนเก่าเนี่ยนะค่ะ อ ม, มันเป็นเรื่องที่ฟลุกๆมีมาคือหมายความว่าในในแต่ละครั้งที่วัดป่าดอนโสมีการเหล็กในปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีคนมามากเราก็เลยจะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่คนใหม่ก่อนอ ค, คนเก่าเนี่ยเราก็เลยบอกว่าองนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาคราวต่อไปแต่คราวต่อไปก็ไม่มาถึงสักทีเพราะว่าก็มีคนใหม่มามากทุกครั้งเลยแล้วก็ <ๆ S 1> เ, กเลยคิดว่าเอ้างั้นเราต้องมีให้คนเก่ามาพบกันสักปีละครั้งก็แล้วกันแล้ก็เลยจัดให้มีหลักสูตรคนเก่านี้ขึ้นมาคิดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แล้วก็มาเริ่มทํากันตอนเดินสิงหาปีนี้ตอนนี้อาตมาเนี่ยมีความจะพูดว่าตื่นเต้นก็ได้น ะ, ะว่าแม่จะมีคนเก่ามาหลีกเล่นปฏิบัตินะคือคไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนที่ขี้หมูขี้หมามานะคือคไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาอะไรมาไม่ใช่แต่เป็นคนที่คุ้นเคยแล้วในระบบระเบียบ ข, ของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบที่พระเจ้าบัญญตัติอาไว้เรื่องศีสมาธิปัญญานะกลับไปบ้านอาจจะทําสม่ําเสมอบ้างไม่ได้ทําบ้างแต่ว่ามีความคุ้นเคยใน ในเรื่องของระเบียบการปฏิบัติเพราะนั่นไม่ต้องพูดกันมากใส่กันเลยแล้วฟาดกันเลยใส่กันเลยฟาดกันเลยนี่หมายความว่าไงถ้าฟังอยู่เพิ่งตกใจนะคือหมายความว่าคือเนื้อหาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยนะคุณยมติวมีมีภิกษุเถระผู้หนึ่งนะท่านท่านเคยเปรียบว่ามันเหมือนกับเ e เ e ่ e อีเลเวนบวกแ c r o ครโลตัสบิซด้วยมารวมอยู่ในที่เดียวกันแลคือมันมีของมากมายเหลือเกินแล้วสักระเบอยันเรือลบเนี่ย มันมากมายจนจนบางทีเรา ล, ลานตาไม่รู้จะเอาอะไรมาใช้แต่มีใช้ได้หมดเลยแต่แต่คนทุศีลคุณก็มีธรรมะใช้ได้เป็นพ่อเหรอก็มีธรรมะใช้ได้เป็นพระเจนไหมก็มีรรมได้เป็นผัวเป็นเมียเป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศรริษย์ลูกหาอยู่ในสถานะไหนเนี่ยมีธรรมะที่เหมาะสมกับคุณทั้งนั้นค่ะเนะเหมือนกับอย่างที่ว่านะไอ้พวกร้านโชว์หวยทั้งหลายเนี่ยมารวมกันทั้งหมดเนี่ยทีนี้พอในช่วงหลักสูตรธรรมดาเนี่ยเราก็จะต้องเลือกเฉพาะที่สําคัญสา ค, คัญละ สำคัญ ส, ค, ญสคัญนี่หมายว่าที่ต้องรู้ก่อนเอามาให้ดูก่อนในเรื่องที่ยังเข้าใจยากๆเรายกไว้ก่อนในที่ละเอียด <คะ S 1> ลึกซึงซ้งยกไว้ก่อนอก็เลยเป็นเหตุให้ว่าเราก็จะจับไอ้พวกนั้นเนี่ยมารวมกันในในหลักสูตรคนเก่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ละเอียดละเอียดเข้าไปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคือคุณยมติ่ก็เคยไปไปปฏิบัติแล้วถูกไหมใน <คะ S 1> เล่นปฏิบัติที่วัดป่าอนิสงส์ก็คงจะทราบถึง ไออระเบียบวิธีปฏิบัตินะซึ่งมันก็จะเรียกว่าเข้มข้นก็ว่าได้นะค้นมากค่ะค้นด้วยแล้วก็เค็มด้วยเราเชื่อเรื่องกับอาหารเนี่ยถ้าเราจะทําให้มันข้นไปกว่านี้เค็มไปกว่านี้ให้มันหนักมากกว่านี้มันก็จะไม่ได้ละ่ะมันก็ <c oughs> ได้เท่าที่มันเป็นแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือความความละเอียดลึกซึ้งนะความละเอียดลึกซึ้งอย่างเช่นว่าลมหายใจเนี่ยลมหายใจที่เราพูดถึงดูรู้ลมหายใจกันเนี่ยนะ <C> e ร, รู้หรือเปล่าว่าเวลาที่เราสังเกตลมหายใจเนี่ยมันมีความคิดขึ้นมาแน่นอนแม้แต่ตัวอาตมาเองก็ยังมีแต่ทีนี้พอเรามีความคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรารู้ลมหายใจไปด้วยมีความคิดไปด้วยหรือว่าเรามีความคิดแล้วลมหายใจเราเราลืมไป <C> e <C> e นะจุดเนี้ยคือมันจะเป็นอย่างงี้เวลาที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยความคิดเราจะมีอยู่เดี๋ยวอีกสักหน่อยเราก็ยังมีความคิดอยู่มีลมหายใจอยู่ด้วยอีกส <C> e ักหน่อยไอ อัตราส่วนระหว่างที่เรามารู้ลมหายใจกับรู้ความคิดเนี่ยไอ้รู้ลมหายใจเนี่ยมันจะเริ่มลดลงรู้ความคิดจะเริ่มมากขึ้นแล้วจนกระทั่งไอ้รู้ความคิดเนี่ยมันมากินลมหายใจทั้งหมดเราลืมไปแล้วในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นหนึ่งนาทีเฮ้ยเราไม่รู้ตัวเลยว่าลมหายใจเราหายไปตั้งแต่เมื่อไร่แต่ความคิดมันเข้ามาแทนตอนแรกๆยังครึ่งๆกันอยู่นะเฮ้ยไปไปมามาา ม, ามันกลายเป็นถูกกินไปหมดไม่เป็นไรเรานึกขึ้นได้ปุ๊บเรามารู้ลมหายใจใหม่นะให้สัดส่วนมัน มันมีที่หลาหมายใจมากขึ้น น, นนี้ก็ชื่อว่าคุณมีสติน ะ, <ค>ะจุดจุดที่ว่าจุดที่ว่านะจุดที่ว่าเรารูมม้หมายใจมากอยู่เนี่ยแล้วมีรู้ความคิดน้อยอ ย, อยู่เนี่ยอันนี้คือคือสิ่งที่ดีนะพอเราเริ่มลูห <c oughs> มายใจเนี่ยมาเริ่มรู้น้อยลงน้อยลงจนเหลือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความคิดที่เรารู้อยู่เนี่ยเราเริ่มแพ้ละนะเนี่ยเป็นลักษณะของไหลทะเลที่พระเจ้าพูดถึงนะเวลากิเลสมันลอกไปลอกไปก็เป็นไหลทะเลไหลทะเลไป <c oughs> นะ ดิฉันจขออนุญาต uh, อแทรกตรงนี้ได้ไหมคะนะคะคือท้องกราบเรียนเลยว่าท่านพูดในสิ่งที่ดิฉันเชื่อว่าผู้ปฏิบัติก็คงจะบ่กโอ้โหเหมือนกับสวรรค์มาโปรดเพราะดิฉันเองดิฉันปฏิบัติเนดิฉันเพื่อทราบ ว, ว่าถ้าอาจารย์ก็เป็นก็นึกว่าจะเป็นแต่เออหรือเราปฏิบัติไม่เป็นทําไมแรกแรกดีนะรู้ลมหายใจมากห <c oughs> มักๆเข้าเอ๊ะทำไมความคิดเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามายิ่งนั่งไปนานๆความคิดเข้ามามากเหลือเกิน ท, ท่านผู้ฟังก็คงจะเป็นเหมือนกันนะคะดิฉันเข้าใจว่าท่านกับดิฉันเนี่ยวันนี้จะโปร่งใจมากขึ้น <c oughs> ก็รัชนาท่านต่อเลยค่ะท่านค ะ, ะทีนี้ตรงนี้นะถ้าคนไม่เคยปฏิบัติเนี่ยจ ะ, จะฟังแล้วก็มึนไปเลยอ๋เอเฮ้ยพูดเรื่องอะไรเนาะฉันไม่เห็นเคยรู้เลยแต่เพราะว่าไม่ได้เคยมาสังเกตจิตของเราว่าเอ๊ะมันไอ้ตรงวินาทีที่มันหายไปเนี่ยมันมีจังหวะที่เหมือนเฟดอะเฟด e ที่เวลา แล้วเขาเปิดเพลงนะดีเจค่อยๆลดลงลดล ง, ลดล ง, ลดลงจงนแล้วหายเอ๊ะมันหายไปไหนเปลี่ยนเพลงตอนไหนฉันยังไม่รู้เลยแต่เวลาดีเจเขาเปิดเพลงใช่ไหมเขาเปลี่ยนเพลงแล้วเนี่ยเราเพิ่งมารู้อีกทีทีหลังเนี่ยเป็นลักษณะที่ความคิดเนี่ยมันมากินไอสติที่เรามารู้กันลมหายใจไปเราก็ต้องคอยสังเกตตรงนี้นะจอดจี้เข้าไปคันนี้คือเรื่องที่หนึ่งแเรื่องที่สองบางคนเรื่องกินอาหารเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลย เนี่ไม่เคยสังเกตด้วยซ้ำว่าเอ้ยเรามันท้องแล้วมันตึงตอนไหนละ่ละเนีเราจะให้สังเกตตรงนี้เอ้ท้องเรามันตึงตรนไหนเราต้องรีบหยุดตรงนั้นพอดีแต่บางคนไปมีความคิดว่าโอ้ยยังกินไม่หมดเลยตักมาเนี่ยจริงๆแล้วตอนที่ตั้งแต่เราพิจารณาอาหารเนี่ยนะคือบริชชาเขาสอนให้อ่าพิจารณาอาหารโดยความที่ไม่กินเพื่อเลน่นเพื่อโมเมาใช่ไหมอันนี้คือพูดถึงตอนจังหวะที่รับประทานเอาอาหารเข้าปากแต่จริงๆการพิจารณาอาหารเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ตอนที่คุณไปตักอาหารแล้ว ตอน<ช>ที่ไปตักอาหารเนี่ยโหวันนี้แม่สีสันน่ากินจริงๆตักมากหน่อยวันนี้จะไม่เคยกินถ้าทางจะอร่อยตักมากอีกหน่อยเผื่อไว้เผื่อไว้แต่พอมาดูกินจริงจริงโอ้กินไม่หมดแวก็ฝืนกินเข้าไปให้มันหมดเดี๋ยวเสียของสุดท้ายตัวเองตัวหนักก็ภาวนามไม่ได้ก็ไม่รู้ตัวอีกเพราะว่ามันถูกเล่นงานตั้งแต่ตอนที่ไปตักอาหารนั่นแหละ ดังนันขอขอแทกอีกเหมือนกันใช่ไหมคะในฐานะเป็นผู้เคยปฏิบัติมาแล้วไปที่วัดป่าดอนหายโศกจะเห็นติดป้ายเลยนะคะผู้มีมีสติใช่ไหมคะผู้มีปัญญาใช่พิจารณาอาหารที่ตัวเองได้มาอาหารที่ตัวเองได้มารู้ประมาณในการบริโภคค่ะย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าและครองอายุได้ยืนนาน ะจะตูมเริ่มเทิมเลยนะคะอยู่ด้านหน้าของผู้ที่ไปปฏิบัติแล้วก็นั่งรับประทานอาหารวันแรกที่ฉันเป็นอย่ที่ท่านไปบูรพูดเลยตากเราก็ว่าเราตาไม่มากแล้วนะเสร็จแล้วเราได้พบตัว เ, เองว่าเราทานไม่ไหวอืมวันต่อไปมันก็พัฒนาขึ้นนะท่านคะแต่เป็นอย่างนี้จริงๆสาธุเลยค่ะเพราะฉะนั้น ต, ตรงเนี้คือถ้าถ้าเป็นคนใหม่เราไม่กล้าพูดหรอก ค, คือเขาอยากกินเท่าไหร่ก็ให้เขากินเถอะน ะ, ะเขาอยากทําได้ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้มาทําก็ดีแล้วแต่แตคนคนเก่าเนี่ยเป็นคนที่ เขาเรียกว่าถ้าเปรียบเหมือนเนี่ก็เปรียบเหมือนบุคคลอชาชายนะค่ะคือแบบว่าด่าว่ายังไงก็ไม่โกรธนะช้างอชาชนัยเนี่ยเวลาสู้ศึกอ่ะอย่างช้างช้างของพระเรนเรศวรเนี่ยตอนที่ทํายุทธนาถีเนี่ยนะโอ้เป็นช้างที่เป็นช้างอชาชนัยนะถูกลูกสอนแทงถูกเขาฟันถูกทิ่มตามมีเสียงดังไรก็ไม่ตื่นไม่กลัวอดทนได้นะเช่นกันในกรณีของของผู้มาผู้เก่าที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ย แม่เหมือนกับบุคคลอาชาไนอย่างที่ว่าถูกด่าถูกว่าถูกฝึกเข้มฝึกหนะักก็ไม่โกรธไม่ว่านะคือมีการเพ่งอย่างม้าอาชาไนนะคือมันมีม้าสองประเภทที่พระเจ้าเคยเคยเล่าให้ฟังนะคือม้าประเภทแรกนี่คือม้ากระจอกนะม้ากระจอกเคยเห็นหั้ยคุณยมติวเคยอ่านเรื่องผู้ใหญ่ลีอะนะผู้ใหญ่ลีที่ตีกองประชุมแล้วก็ให้ชาวบ้านมาปลูกเลี้ยงหมูกับเลี้ยง เดี๋ยวฉันไม่เคยอ่าทนท่านคะหัวใหญ่หัวใหญ่ลีเนี่ยมีมา้าอยู่ตัวหนึ่งค่นะชื่อว่านนในจันในจันเนี่ยเป็นมา้มาแบบม้ากแกรบแล้วก็ใช้คำว่าม้าแกรบม้าแกรบนี่คือม้าลักษณะที่ว่าใช้งานทั่วไปนะาบางทีมันหิวมันก็หยุดบ้างเราต้องแบบบางทีก็สั่งงานได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าใช้งานได้ทีนี้มีอยู่3ม้าประเภทที่ผู้เช่าเคยพูดถึงประเภทแรกเนี่ยก็คือม้าพยศม้าพยศ ม้ากแกลบเนี่ยคือลักษณะของประเภทที่สองคือมาออ้ามา้มากระจอกหรือม้ากแกลบนะคือลักษณะที่สองแล้วก็ลักษณะที่สาคือม้าอาชานายม้าพยศนี่ก็คือแบบสั่งอะไรไม่ทําทําอย่างอื่นทํำอะไรที่เสียหายนี่คือม้าพยศม้าแกลบนี่คือบางทีสั่งได้บ้างสั่งไม่ได้บ้างต้องเอาอาหารมาล่อทําในใจอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่จะได้อาหารเมื่อไหร่จะได้หยุดพักเมื่อไหร่จะได้กินเมื่อไหร่จะได้เห็นตัวเมียว่าอย่างนี้ส่วนม้าชานัยคือม้าประเภทที่สามที่ว่าเอถ้า เจ้านายเราฝึกอย่างนี้เราจะตอบสนองอย่างไรจิดอย่างนี้เราควรจะทําอย่างไรนะมีความเพ่งใ น, นลักษณะของม้าอาชาไนค่นะเพราะฉะนั้นบุคคลที่มาฝึกปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเนี่ยมีคุณสมบัติของความเป็นอาชานไยล ะ, นะก็คือว่าถูกฝึกหนักก็ไม่บ่นไม่ว่าอย่างม้าอีกนะยังฝึกหนักเข้าไปอีกแหมนี่น่ายกย่องมากจริงจริงค่ะฉะ น, นั้นอาตมาจึงมีความตื่นเต้นที่จะได้เจอบุคคลประเภทนี้ว่างั้นนะอ่มีม้าอาชาไนมาให้บงัง อ่มให้สนคือคือถึงแม้เราจะไม่สอนเอาแค่ว่าเราพบเห็นบุคคลเช่นนี้เนี่ยเราก็ดีใจเหมือนอย่างพระอนุนะ่ะพระอนุนตอนนั้นพระรูชาวจะปรินิพานแล้วก็เลยมีความเสียใจว่าพระรูชาปรินิพานแล้วแหมเราก็จะไม่ได้พบเห็นภิกษุผู้น่าเจริญใจที่จะมาหาพระรูชาทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยอย่างภิกสุไปออกปา่าออกอะไรใช่ไหมตัวเองบรรลุธรรมะขั้นสูงแล้วก็กลับมาเล่าให้พระรูชาฟังนะหรือบางทีรเราเรามาเจอพระรูชา ก็ได้เจอภิกษุผู้เจริญใจเหล่านั้นพอเจอแล้วเนี่ยก็มีความสบายใจนี่คือลักษณะของพระอ น, นุมพอท่านเป็นอย่างนี้ท่านก็เลยมามาพูดให้ผู้ชาวฝั่งผู้ชาก็เลยบอกเอางี้แล้วกันนะก็มีสถานที่ที่ภิกษุควรไปควรเห็นเพื่อเกิดความสังเวชคือสังเวชนิยสถานสีใช่ไหมค่ะอาตมาก็มีลักษณะอย่างนั้นว่าเมือนถ้าเราเห็นบุคคลที่น่าเจริญใจอย่างเงี้ยมันสบายใจอะ่ะนะคือเป็นบุคคลที่ไม่ไหลไปตามกระแสของโลก นะเขาไปหยุดเที่ยวพักผ่อนวีคเอนลองวีคเอนไปเที่ยวสมเรเทมาลบุคคลพวกนี้มาฝึกตัวเองแม่มันมันน่ายกย่องจริงนะทำไ ม, มตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยล่ะ <c oughs> ถ้าจา่ายคะแล้วนอกเหนือจากเรื่องของออเวลาสังเกตลมหายใจเรื่องของการกินแล้วประเด็นที่ท่านอยากจะพูดฝากเอาไว้เพราะว่าเวลาของเราก็ไล่จี้เข้ามามทุกทีืนกันเนี่ยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติสําหรับท่านผู้ฟัง ไ ป, ไประเด็นที่สามคือเรื่องของของจิตนะคือเราหายใจเราพูดกันมามากพูดทุกครั้งท่านมากก็พูดทุกวันจันถึงสุดไม่มีเว้นพูดว่าลาหลายหน้าที่หลายๆคําจนกระทั่งท่านผู้ฟังบอกพูดอยู่กับแต่ลมหายใจเนี่ยนะลมหายใจเนี่ยเรามันเป็นเพื่อว่าให้เรารู้ถึงสภาพวะจิตของเรานะคือลมหายใจเป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งเป็นกายอย่างหนึ่งอินทะรีย์หรือกายเนี่ยผู้ช า, าบอกเป็นที่ล่นเข้าไปสู่จิตนะเป็นที่แล่นเข้าไปสู่จิตจิตเป็นที่ลั่นไปสู่สติ ตสติเป็นที่แร่นไปสู่วิมุตติแต่เพราะนั้นถ้าเราเอาจิจ Desde, ตลมแล้วก <c oughs> ็ใจเนี่ยจิตลมแล้วก็ลมหายใจของเราเนี่ยนะสติเนี่ยสติจิตแล้วก็ลมหายใจของเราเนี่ยให้เป็นอันเดียวกันสติจิตลมหายใจให้เป็นอันเดียวกันเราก็จะไปได้นะให้เป็นอย่างนี้ตลอดทีนี้ว่าบางทีลมหายใจมันหายไปแล้วลมหายใจมันหายไปแล้วเอ๊ะลมหายใจมันหายไปแล้วเราไม่ต้องไปขุดมันขึ้นมาอย่างถ้าใครเลี้ยงเด็กเนี่ยนะคุณยมติวถ้าเคยเลี้ยงเด็กน้อยอายุขวบสองขวบเนี่ย ถ้าเขานอนหลับไปแล้วเนี่ยนะอย่าไปปลุกเขาขึ้นมาอีกมันจะมาร้องไห้งอแ ง, งกวนใจเรา<ม>นันคือหลับไปแล้วให้เขาหลับไปเลยอย่าไปบุกให้เขาตื่นเช่นเดียวกันลมหายใจของเราหายไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปรื้อฟื้นมันขึ้นมาอีกคือถ้าจิตสงบแล้วนะค<ม>ือไม่ใช่หายไปเพราะว่าคุณเผลอสติไม่ใช่นะแต่คุณมีสติอยู่มีจิตอยู่แต่ลมมันดับไปแล้วไม่ต้องไปฟื้นมันขึ้นมาอีกในกรณีนี้คือว่าไม่มีความคิดแล้วอย่างนั้นใช่ไหม ค, ความคิดอาจจะมีอยู่ ในแต่ลมหาใจเนี่ยมันอ่อนลงไปอ่อนลงไปจิตเราเป็นสมาธิอยู่นะมีสติ อ, อยู่นะอ่าอ่าอันนี้คืออืมคื อ, <น>คอ ถ, ถ้าคนไม่มีสติเนี่ยลมมันก็ไปตามความคิดน่นนี่เลื่อนมันก็จะสติมันขาดไปละแต่นี้เราพูดถึงคุณมีสติอยู่อาจจะมีความคิดไม่มีความคิดไม่เป็นไรแต่แต่มีสติอยู่ลมหายใจหายไปแล้วจิตก็อยู่นะก็ไม่ต้องไปปลุกลมหายใจขึ้นมาอีกมันก็ละเอียดลงไปอีกนะอืมค่ะตอนนี้ดิฉันขอทําความเข้าใจอีกนิดนึงนะคะได้คะว่า กำลังพูดว่าเมื่อลมหายใจหายไปในขณะที่เราพยายามที่จะรู้ลมหายใจเพื่อที่จะทำให้เกิดสมาธิมาตั้งแต่ต้นพอถึงจุดจุดนี้แล้วหากว่าอันนี้ถือว่ามีสมาธิแล้วถูกต้องสติเนี่ยรู้ไม่ว่าจะมีความคิดเข้ามาหรือไม่ก็ตามถูกไหมคะก็มีสติอยู่แล้วใช่ค่ะคือ ม, มีจิตเนี่ยจิตเนรู้ว่าอะไรเข้าอะไร ผ่านมาก็ถือว่าทาถูกแล้วแล้วก็ปล่อยลมหายใจที่หายไปนั้นไปเพราะว่าขณะนี้เนี่ยสมาธิเก่อตัวขึ้นแล้วเรียบร้อยถูกต้องคือะคะไม่ต้องไปแค่มันกลับมาอีกจิตแล้วก็จะหยาไปอีกอนั่นแหละว่างั้นอืวันนี้ได้แค่นี้ดีนก็คิดว่าก้าวหน้าพอสมควรทีเดียวเพราะว่าเวลาคงจะต้องไปต่อเรื่องพวกนี้วันต่อไปนะคะฝากท่านอาจารย์ไว้ด้วยละกันว่าเดี๋ยวขอความรู้ที่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกสําหรับผู้ที่ปฏิบัติเพื่อที่จะ ได้ปฏิบัติได้ถนัดถนีโดยแม้กระทั่งไม่มีอาจารย์นั่งกำกับอะไรแล้วมาถูกทางแล้วค่ะวันนี้กลับมามืส ก, การขอบพระคุณท่านเผยบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเยนพานท่านฝั่งที่โรบค่ะและนั่นก็คือพระอาจารย์เผยบุญที่ปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธา น, นีซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการเล่กเดินกันอยู่เป็นประจำทุกเดือนและขณะนี้กําลังมีผู้ที่ ผ่านการหลีกเล่นมาแล้วในอดีตเรียกว่าเป็นผู้เก่านะคะไปรับการปฏิบัติอยู่พระอาจารย์ก็เลยเมตตาที่จะนําในสิ่งที่ท่านจะได้เขี่ยวกรมผู้ที่มาฝึกปฏิบัติในลําลดับในในเขาเรียกวอะไรคะระดับที่สูงขึ้นไปเนี่ยมาฝากพวกเราด้วยติดตามรับฟังรายการสรมมนมสนท น, น, นากันได้เป็นประจําที่นี่นะคะแล้วผู้ที่ยังต้องการหนังสือพู้ทัตเจนะที่พระอาจารย์ขึ้นเป็นโสตทิพโลท่านได้มอบให้มา โทรศัพท์เข้ามาที่0 2 2 6 9 0 0 0 6ค่ะเราคงจะลาท่านไปแต่เพียนเท่านี้นะคะในวันนี้พุททวัดสวัสดีค่ะ